โชคความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปโพธิญาณในวันนี้ก็คงนําเสนอท่านผู้ฟังในเรื่องการบําเพ็ญบา ร, รมีของพระโพธิสัตว์ต่อไปท่านที่เคยบอกไว้ในวันก่อนว่าตั้งแบ่งพระโพธิสัตว์เป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็เรียกว่าอ น, นิจจะโพธิสัตว์คือไม่แน่ว่าจะได้สัสรูหรือไม่ เราเป็นเรื่องความคิดภายในใจของท่านกับการเปร่งวาจาออกมาให้คนอื่นรับทราบแต่ตรงนี้ก็ผ่านเวลาไปตั้งเทา่าไรสิบหกกับไม่ใช่สิบหกอสงไขกับตอนเมื่อได้บำเพ็ญบา ร, รมีสร้างความดีมาจนสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมแปดประการเราการพยากรจากพระพุทธเจ้าปรุงใดปรงุงหนึ่งแล้วก็ จะอยู่ในฐานะเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทที่เรียกว่านิยต์โพธิสัตว์คือแน่นอนว่าจะได้จัตสรู้แต่ก็ปัญหาว่าเมื่อไรก็แล้วแต่ว่าท่านใช้อะไรเป็นหลักถ้าใช้ปัญญาเป็นหลักก็ใช้สี่แสนสงไัยกับแสนกลับแต่ใช้สถาเป็นหลักก็ใช้เวลาแปดแสนนสงไัยกับแสนกับแต่ใช้วิริยะคือความเพียรเป็นหลักก็ต้องผ่าน การเวลาไปถึงสิบกกระสงไขกระแสนับตัวแรกเหล่านี้เป็นเรื่องของพระอาจารย์ด้านหลังที่ท่านอธิบายอาจจะมากไปน้อยไปก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ประเด็นที่ใครจะนำเสนอท่านผู้ฟังตัวคิดพินิจพิจาราก็คือว่าหลักธรรมะสามคํัเนี่ยท่นานใช้คำว่าที่กะด้วยนะคือยิ่งด้วย ทุมเทลงไปปัญญาอย่างยดยิ่งจริงๆในเรื่องนั้นๆพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญาปัญญาที่จําเป็นจะต้องมีและต้องใช้มากเป็นพิเศษในปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เราเรียกข้อมูลข่าวสารยุคโลกาภิวัตน์ยุคโลภ ร, ร้ายผมแดนก็เรียกกันไปอย่างนั้น แ, แต่เราสังเกตดูเราเห็นว่าในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราไม่ค่อยมีโอกาสสื่อสารกับคนเป็นจํานวนมากแต่เราก็รับสารจากคนเป็นจํำนวนมากแล้วคนเหล่านั้นตามปกติเราไม่เคยรู้จักด้วยเส้นสื่อทางโทรทัศน์สื่อทางวิทยุสื่อทางสิ่งพิมพ์ต่างๆตลอดถึงข่าวตามประเทศเนี่ย มันมีอิทธิพลครอบงำความรู้สึกนึกคิดของคนไปในสังคมเป็นนันมากแล้วก็บางเรื่องก็กลายเป็นน่าหวัวตอนนี้ถ้าเรากล่าวโดยสรุปก็คือเราขาดปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสิ่งที่รับรู้เรียนรู้พระเจ้าสรงแสดงว่าปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตะคือหมายความว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะแต่ว่าปัจจุบันที่จริงไม่ใช่ได้ฟังอย่างเดียว นะได้เห็นก็มีได้จับต้องก็มีได้ถูดตรงก็มีได้ลิ้มก็มีก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงโอกาสที่ถูกหลอกก็มีได้ไง่ายโอกาสที่จริงก็มีอยู่แต่ประเด็นสาคัญว่าตรงนั้นเรามีปัญญามากพอไหมในการวิจัยสื่อทั้งหลายที่ผ่านมาข้อที่ควรระหนักเป็นพิเศษก็คือว่าสื่อทั้งหลายเวนี้มีการลงทุนสูงมาก ใครควบคุมสื่อไว้ในมือก็จะร่ำรวยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นยุคที่เราต้องการรับฟังข้อมูลข่าวสารในเวลารวดเร็วถ้าได้บางทีรับไปแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรแกเราเจนยกตัวอย่างว่าข่าวต่างประเทศเอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าใครทำอะไรทำที่ไหนทำแดนไร แล้วเราก็หาคำตอบไม่ได้ว่าเราได้ประโยชน์อะไรนอกจากการรับรู้หรือถ้าคิดต่อนะมันก็ออกมาเป็นแนวคิดได้ในการตัดสินวิจัยปัญหาต่างๆได้แต่ตามปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยได้นำมาคิดหรอกตอการพัฒนาปัญญาจึงเป็นเรื่องใหญ่ เราไม่ต้องมองไกลถึงพัฒนาปัญญาระดับที่จะเป็นพระโพธิสัตว์มองว่าทำยังไงจะใช้ปัญญาในการเรวิชาสื่อต่างๆได้เราก็ต้องเพิ่มปริมาณความรู้ให้มีความชัดเจนแก่นแจงมากยิ่งขึ้นมันต้องตั้งปัญหาถามว่าใครพูดอะไรพูดอย่างไรทำไมจึงพูดอย่างนั้นแล้วถ้าเราเชื่อเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรไหม ถ้าเราเลิฟังไม่เฉยๆนี่ยจะสูญเสียประโยชน์อะไรไหมถ้าเราคิดได้เป็นระบบอย่างนี้มันก็จะลดความรุนแรงลงไปได้เยอะปัญหาที่น่าสังเกตเวลาเนียมามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรมโยชุนนี่เยอะแล้วก็จะตอบปัญหานี่มากบังทีใช้เวลาทั้งสองชั่วโมงนะตอบปัญหาให้เด็ก ปัญหามมนจะมีความหลากหลายและเราเห็นชัดเจนอย่างหนึ่งว่าการนองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ตัดสินจากมุมตรงนั้นมากลายเป็นปัญหาในการรับความข้อมูลข่าวสารแล้วก็เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งในสังคมเรามีการพูดให้สติตักเตือนกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าคนจีนตื่นไยคนไทยตื่นข่าว ข่าวบางเรื่องไม่น่าเชื่อแต่โค้ตก็เชื่อเชื่อเรื่องโลกจะแตกเชื่อเรื่องดาวแปดวงจะชนโลกเชื่อเรื่องน้ําจะท่วมโลกโดยไม่ได้ค่อยได้คิดอะไรมันรอบคอแต่รับฟังไมาเฉยๆหรือไม่แต่เชื่อเฉยๆเพราก็จริงมันสมมุติว่าเป็นจริงมันน่าคุยใสทั้งนั้น เห็นไมสมมติโลกแตกเนี่ยเราเดือดร้อนมันทำอะไรเดือดร้อนก็แก้ไขอะไรไม่ได้ไม่รจะหนีไปไหนเมื่อโลกมันแตกน้ำท่วมโลกก็เหมือนกันแหละเม่อน้ำมันท่วมโลกแล้วเราจะหนีไปไหนเดือดร้อนทำไมก็ตายมันก็ตายอยู่แล้วนะฮะตายเร็วขึ้นแต่นัานเองาดาวแปดดวงจะชนโลกโลกก็แตกอีกแหละมันไม่มีเหตุผลอะไรต้องไปกลัวแล้วก็วิตกกังวล แล้วก็เป็นไปไม่ได้นะโดยธรรมาชาติตรงนี้เราก็ผ่านปีใหม่มาแล้วาจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่พูดกันเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองมันก็ไม่ได้มีอะไรจริงนอกจากว่าเรานำไปเชื่อมโยงเข้าท่า น, นั้นเองแต่ตามปกติแล้วความปักใจฝังใจเนะี่ยมันจะมีส่วนที่สร้างอุปาทา น, นเกิดขึ้นภายในใจของคน ก็ทำนองคล้ายกันว่าเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้บางเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวกันบางเรื่องแน่นอนเกี่ยวกันนะฮะเช่นสมมติว่ามันเกิดปัญหาเช่นเราควายฟ้าดับอย่างเนี้ยมันก็ดับกลเป็นแถวกลายคว้าควายผิดเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็เตืก็เป็นแถวไอ้นี่ใช่ก็เกี่ยวขึ้นกันแต่บางเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวอะไร แล้วพอเราไปเชื่อมเข้าเราก็กลายเป็นอุปท า, านกลายเป็นวิตกกังวลกลายเป็นเครียดเป็นอาการผิดปกติขึ้นมาภายใน จ, จิตใจเพราะปัญญาเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ในการอย่างน้อยแยกแยะสิ่งตั้งหลายมีความชัดเจนในสมัยก่อนเนี่ยท่านไม่ได้พูดลึกซึ้งอะไรแต่ไม่ลึกซึ้งก็เถอะเอาก็จริงเราก็แยกไปเถอะ รู้บาปบุญรู้อะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรดีอะไรชั่วอะไรแต่เนี่ยพอ ร, รู้จักแยกแยะแต่บางครั้งเนี่ยยังได้เคยเล่าให้ฟังในวันก่อนนวดว่าแต่รับปัญหาได้รับคําเขียนมาตั้งเท่าไรหกหน้าลเลยวะไม่บอกชื่อไม่บอกที่มา แต่ถ้าดินงกฟังรายการธรรมะนะราะเราก็อ้างการตอบปัญหาของอตรมาในกรณีที่พระไปอยู่ในป่าคือเรามองวัติศาสตร์จริงๆนะว่าพระจะบัญญัติที่เกี่ยวกับป่าซึ่งวนอุทยานแห่งชาติ อ, อะไรๆเมื่อเกิดทีหลังเมื่อก่อนน้อยไม่ไดกฎเกณฑ์อย่างนั้นนพระก็อยู่ในป่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เพรในบางกรณีเราพูดในบางกรณีเราไปพูดทุกกรณีนะพูดในบางกรณีว่าในบางกรณีที่พระท่านอยู่มานานแล้วแล้วทางราชการเกิดประกาศเขตป่าสงวนอุทยานแห่งชาติขึ้นแล้วไปคล่อมวัดท่านยกตัวอย่างวัดที่ที่ที่อะไรที่เขาะชิโงมะปีนี้อยู่ในดนครในร้อยจอาป ร, รอ วัดโบราณมากนะเมื่อก่อนมันก็เป็นป่าธรรมดาไม่ได้สงวนไม่ได้เว้นคืนไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็ถูกต้องสมหรับยุคสมัยตรงนั้นนั่นมีตัวอย่างจริงจริงมันไม่ใช่ว่าพูดเราเองอเราแกก็เกลี้ยกราดมาเยอะอยู่คนเนี่ยพูดเยพุทจากกรกี้กล่อมมาเยอะแต่เพราะในประโยคเหล่านี้ยที่จริงมันก็พูดกันานานแล้วว่าบางครั้งเนี้ย ป่าไปรุกชาวบ้านคือหมายความว่าชาวบ้านเนี่ยก็เข้าอยู่ถูกต้องในยุคสมัยตรงนั้นท่านไม่มีกฎหมายบังคับนะอย่าลืมวันนี้เป็นเรื่องกฎเกณฑ์กฎหมายเมื่อกฎหมายไม่บังคับห้ามเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะกฎหมายห้ามมันก็เป็นเรื่องหนึ่งเราต้องแยกกาลเทศะ ไ, ได้ไม่ใช่เอายุคสมัยหนึ่งมาพูดกับยุคสมัยหนึ่งแต่นี้พระในธรรมชาพระก็คืออยู่ป่า จะริกเที่ยวทุดมไปญาติโยมในท้องถิ่นตรงนั้นก็เห็นท่านก็ขอสร้างวัดให้ท่านอยู่เพื่อตัวเองจะได้ทำบุญจะได้ฟังธรรมจังศีลติดต่อทางราชการผ่านไปเรียบร้อย ก, ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงอะตอนนั้นมันก็ถูกอะรึ บ, บ้านเมืองมันเป็นมาอย่า ง, ง น, นั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรหรือแม้แต่ป่าชุมชนเราพูดถึงป่าชุมชนน แล้วเห็นว่าคนที่แน่นอนกับคนที่ตัดป่าก็คือคนใกล้ๆแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตัดมากกว่าพวกนี้คนที่ตัดมากเป็นผู้ในทุนรับจ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอบรมเขาให้เกิดความรู้ความใจก็ให้รักษาดูแลป่าเนี่ยเวลานี้ทํากันเยอะนะฮะแต่โยนนี้เกิดแคงไม่ได้ศึกษาอะไรเลยเวลานี้พระรักษาที่ดินอย่างที่ ภูก้อนเนี่ยเจ็ดหมืนไร่วัดวัดดีรักษาป่าเจ็ดหมืนไร่ที่ร้อยเอ็ดที่ผาน้ำย้อยหรือผ่าน้ำทิพย์ของอาจารย์สีที่รักษาไว้ห้าหมืนกว่าไร่ถ้ารักษาป่าเห็นไหมว่าต้งเริ่มต้นใส่พระท่านก็ทำยังไงท่านก็จีวนจีวนไปพันรถไม้ไว้นะเป็นเขตของป่า วัดประจันชาสายประจันชาสายประจันมั่นเนี่ยพวกนี้รักษาป่ามาสารานะเป็นแสนแสนไร่เลยรักษาป่าไว้ให้แผ่นดินไม่ได้เอาไปทำอะไรหรอกแต่ว่าเมืสิ้นบุญบา ร, รมีท่านเหล่านั้นจะรักษาได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งคือการมองข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ใช่วิธีฝังไม่ได้สับแล้วก็จับไปกับเดียรแต่จะต้อง ดูว่าเขาพูดเรื่องอะไรพูดยุคสมัยตรงไหนแต่ใจว่าบ้านเมืองในกฎหมายมันเกิดที่หลังนะมันเกิดที่หลังแล้วสมัยโบราณเนี่ยพระเจ้าเป็นดินมีนราชสวีราชเนี่ยท่านจะบอกว่าหญ้าไม้แลนะน้ำเข้าไปเจ้าให้แกสถ า, า, าบันพระมหประกาศไวเ้เลยนแบบใ น, ในอะไรละ่ะพระบรมราชอุปการในราชสวีราชอ่ก็จะประกาศเป็นธรรมเนียม พระพระอยู่ป่าในบางทีต้องอาจจะต้องให้เด็กตัดต้นไม้อะไรแต่ไรเนี่ยแล้วก็เป็นสมบัติของแผ่นดินก็ไม่กล้าตัดเพราะนั้ระชาจะอนุญาตเอาไว้เป็นจาฤกษในโลกพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมากล้เพราะนัถ้าจะอะไรก็ต้องศึกษากันหน่อยต้องหาความรู้ความเข้าใจกันหน่อยไม่ใช่ผอไม่ถูกใจแล้วก็เกลี้ยกล่อดไปด่ดา ว, ว่าคนนั้นคนนี้คนนู้น ถึงนมาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งพิยมันนี้พูดแปลกแต่ก็ดาพระมาจนเลหมอะไยแล้วก็บอกด่าไม่บาปแล้วไม่มีทางนะด่าบาปเท่านั้นเลยบาปนั้นเป็นวจีทุจริตคนที่เราด่าเราต้องโกรธเราต้องโลภเราต้องโทสะเราต้องโมหะเราต้องริษยาบาปมันไม่ได้อยู่ที่ดา่าอะไรดาวฝนก็บาปนะดาวไฟก็บาปดาน้าก็บาปซึ่งไม่ได้ไม่ได้มีชีวิตอะไร เพราะเลยว่าจิตเราผิดปกติด่าด้วยโทสะด่าด้วยโมหะคนกำลังจะตากผ้าไปด่าฝนตกคนกำลังจะทามาก็ด่าแดดออกอยากจะได้น้ำก็ด่าแดดออกอันนี้ก็แสดงว่ามันก็บาปด้วยกันมันด่าด้วยโมหะแล้วก็ด่าด้วยโทสะเพราะนันอย่าหลงประเด็นประเด็นทรมานั้นมันเป็นกฎธรรมชาติมันไม่ได้ใครจะพูดเอา ดูสภาพจิตเนี่ยสภาพจิตที่เป็นกุศลแล้วก็บางทีเราด่าด้วยเจตนาที่เป็นกุศลแต่ต้องต้องมองนะว่าเราต้องมีพื้นฐานความรักเขาแล้วก็ดุเขาตําหนิเขาด้วยจิตเมตตาทําได้ในลักษณะอย่างนั้นเนะ่ยไม่แต่งก็เป็นบาปแต่ว่าถ้าด่ากราดอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะเป็นบุญขึ้นมาได้หรอก นี่คือประเด็นที่คนทำอวาเข้าใจแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งคือเราไม่พยายามทําความเข้าใจมาพยายามศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้ น, น, นแล้วก็ทําอะไรไปแต่ลักษณะการตัดสินการใช้อารมณ์เพื่อตองสังเกตว่าเราพูดถึงธรรมะทํำหวยเวลาในวงการศาหน้าธรรม ะ, รมะแปลกจิตใจไม่ปกติ ใจไม่มีความสงบ ต, ต้องการจะชนะคานต้องการจะอวดดื้อถือดีแล้วก็ไปอ้างเอลึกแขกขาดไปการจําแนกเนี่ยปัญญาในการจําแนกแยกแกะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทาเพื่อตัวเองนี่เป็นหลักทําเพื่อตัวเองเป็นหลักสร้างความสวัสดีแก่ตัวเองเป็นหลักโดยเนี่ยเรานิยมใช้ประชาธิปไตยใช้สิทธิในการด่าคนนั้นคนนี้ดา่า ถามหมดเลยปัญหามราได้ไเลยพอเรื่องบางเรื่องมันมันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เราจะแก้ไขอะไรได้เราเป็นใครเรามีสถานะหนะ้าที่อย่างไหญมันจะต้องมีการตรวจสอบเระเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันนอกวิสัยนอกวิสัยก็ปล่อยเข้าไปถือการปฏิบัติธรรมานี่มันอยู่ที่ว่ามองว่าเราได้ประโยชน์อะไรนี่คือเรื่องที่าต้องมองมากเป็นพิเศษ บางทีไม่ได้ประโยชน์อะไรเช่นสมมุติว่านอนหลับแล้วก็สุนัขมันฟัดกันเรานอนไม่หลับก็พยายามนอนให้หลับไม่ต้องไปแก้ที่สุนัขหรอกแก้ที่สุนัขไม่ได้เพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเองนั่นคือการใช้ปัญญาในการครองเรือนในการปรงชีวิตโดยเฉพาะยุคข้อมูลข่าวสารนี่จุดอ่อนแอในสังคมเราแล้วก็เพิ่มภาระปัญหาทางเศรษฐกษิจ เราสังเกตว่าแม้แต่บางครั้งบางคราวพระสงฆ์องค์เจ้าของเรานี่ไปต่างประเทศกันแม้ต่างประเทศครั้งหนึ่งนี่ไม่น้อย ก, กว่าห้าหมื่นนะไปขนาดสหรัฐ อ, อเมริกาอังกฤษนะแถวยุโรปแถวอเมริกาเนี่ยก็ไม่น้อย ก, กว่าห้าหมื่นเรียกประหยัดมากแล้วเนี่ยเงินจารตาต่างประเทศมันออกไปเยอะเหลือเกินทั้งๆที่บ้านเมืองเราขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอยู่ไมนมีใครจะเป็นอะไรต้องไป ถ้าไม่ไปจะได้ไหมก็ไม่เห็นแปลกอะไรอาตมาจริงๆถ้าไปต่างประเทศเนี่ยมีโยมจะปอนเสื้อให้เขานิมนต์มาก็าจัดการดําเนินการทุกอย่างก็ไม่ไปคือเรานึกประโยชน์ไม่ออกที่บางทีของเรื่องเล็กน้อยเกินไปทําไมจะต้องไปเสียเวลาเปล่าๆเราอยู่ที่วัดเนี่ยเราก็มีงานทําเยอะแล้วถ้าเราไปมันก็ค้างเยอะนะ งานก็ค้างแล้วเรามาถึงกว่าจะเคลียร์งานกันได้เนี่ยเสียเวลาปะะไปเยอะเลยเพราะปัญญาธิกะทายังไงให้ใช้ปัญญาในการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารเอาจะพอประเด็นนี้ก่อน น, นะนะเเลวเมื่อเราวินิจฉัยได้แล้วจะหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องเรื่องดีเราก็หาประโยชน์ได้เรื่องไม่ดีก็หาประโยชน์ได้เรื่อ ง, งกลางๆเราก็หาประโยชน์ได้แต่ก็สําคัญว่า ทำยางไรจะหาประโยชน์ดได้นั้นคือเรื่องใหญ่ปัญญาก็ต้องเพิ่มขึ้นบางครั้งบางคราวต้องแยกแยะเราต้องนึกนะฮะว่าการโฆษณาทั้งหลายพวกคัดเอาวพวกโตเตอร์พวกอะไรต่างๆในโฆษณาที่ลงรงสือพิมพ์ประกาศทางโทรทัศน์ออกทางวิทยุหรือว่าคัดเอาต่างๆที่ปรากฏก็วางแผนคิดคำกันไม่ใช่เล่นนะ แต่เรารับฟังปั๊บเนี่ยถ้าเราไม่คิดให้ดีเนี่ยเราเชื่อเราเชื่อในสุด ก, ก็ตกเป็นเครื่องมือเขาอย่างการโฆษณาลดแลกแจกแถมอะไรแต่ไรต่างๆเนี่ยปราจเจ็นว่าเราจะอ่อนไหวมากเรารู้สึกว่าเราจะได้ตลอดถึงอะไรล่ะหวยเลขเด็ดอะไรแต่ไรเนี่ยแล้วก็เอาไปจะตีกันดุตลุดไปหมดได้เขาบอกตัวเลขเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ไปนึกว่าพระบอกหวย แล้วก็พยายามที่จะตีเป็นหวยทั้งนั้นเคไปเทศตทา่างจังหวัดโอ้โหญาติโยมมีไปกันใหญ่เลยเราเทศเรื่องกุศลกรรมบทสิบประการนะ น, นะเราสรุปปัจยกรรมสามวิจิกรรมสี่มโนกรรมสามก็องค์ธรรมธรร ม, รมดาเนี่ยนะแต่เราไม่รู้เรื่องเลยว่าทำไมโยมไ่ตีเป็นหวยได้แล้วพอดีมันเกิดออกตรงนั้นโยมมานิมนต์อีก ส่งตัวแทนมาขอเลขเด็ดเลยวังแล้วก็งงไม่รู้เรื่องกว่ายก็จะลําดับความให้เราก็นั่งทบทวนเนี่ยตั้งนานอ๋อเทตองค์ธรรมแล้วที่ิงๆองธรรมมันรรมอนีอย่างนั้นจริงๆนะฮะเจนว่าฮิริอตปาสติสัมปชัญญะอะไรอะไรเนี่ยทยําอุป a r ม m a k สองอย่างภพมิหารสี่อย่างกุศลกับบทสิทธิ์อย่างมรรคใองแปดอะไรอะไรเนี่ยมันจะมีตัวเลขแย้นตลอดธรรมาเนี่ยดั่นันน้นคือธรรมะมันไม่ใช่การบอกควย เราไปตีเข้ามันก็กลายเป็นปัญหาทีนี้ใ น, นกรณีของศรัทธาเนี่ยศรัทธาที่กะในเรื่องใหญ่เป็นกันเราจะเห็นว่าใช้เวลานานแต่เราเทียบเคียงว่าทำไมมันใช้เวลานานนะเพราะบางทีศรัทธาเนี่ยถ้าปัญญาเขาไม่เสิบเนี่ยมันเราไปศรัทธาในเรื่องที่ไม่น่าจะศรัทธาคือเชื่อในเรื่องที่เป็นคนเชื่อเขาเรียกอัติโมคือน้อมใจเชื่อเอา ไม่คิดไดยเหตุโดยผลเนี่ยถ้าเมื่อเราคิดได้เหตุโดยผลว่าน้ําจะท่วมโลกเนี่ยมันต้องนึกว่าเอาน้ำมาจากไหนท่วมโลกอ่ะสมมติว่าน้ําแข็งขั้วโลกละลายหมดเลยสแสดงว่าแสงอ่ะที่ต้องร้อนขึ้นอีกซีคูณเท่ากี่คูณเลยจึงไปละลายน้ําแข็งขั่วโลกได้นะเพราะเหมือนก็บภูเขาไปเลยนะน้ําแข็งขั่วโลกเนี่ยบางทีมันเหมือก็บหิมไปเลย เพื่อในการจะหลอมละลายเขาได้เนี่ยความร้อนจะต้องสูงทีนี้ถ้าความร้อนสูงขนาดนั้ น, านาคนตายหมดแล้วไม่ต้องไปกลัวดอกน้ําพุ่งลกมันไม่มีเหตุผลในตัวของมันเองแล้วสมมติว่าฝนจะต ก, นตกมันฝนตกมันเอเงื่อนไขของมันมันเอามาจากไหนตกแต่เมื่อฝนตกตกต่อเ น, นื่องไม่ได้หรอกมันขึ้นอยู่ในเงื่อนไ ข, ขทางอุปนยิยมวิทยาของมัน ไม่มีเหตุผลว่าฝนตกจนน้าพุ่มโลกก็ไม่มีเหตุผลแล้วก็น้ําแข็งขั้วโลกละลายก็ทําให้มาท่วมมันก็ปัญหาว่าความร้อนจะต้องสูงถ้าเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยโลกมันก็หายไปนานแล้วซึ่งหมายความการโครจรของดวงอาทิตย์เนี่ยหรืองว่าโลกเนี่ยต้องหมุนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ด้อยเลยแล้วทํายังไงที่จะหมุนเข้าไปต้องคิดอะไรเยอะนะ แล้วต่างคนต่าเยนวิทยาศาสตร์มาเย็นแรงดึงดูดเรียงระบบจั ก, กรวาลเรียงการหมุนของดวงดาวอะไรต่อไรเนี่ยไอ้ตัวนี้เราก็ต้องถามนักดาราศาสตร์ได้ว่าเป็นไปได้ไหมที่อยู่โลกไม่ถูกราวทิศดูดเข้าไปใกล้มันก็เป็นไปไม่ได้มันอยู่มาตั้งนานแล้วนะนั่นคือสิ่งที่เราจะนํามาเป็นข้อมูลในการคิดบางเรื่องมันไม่ต้องสลับซับซอ้อนไม่เรื่องลึกซึ้งอะไรแต่ว่า เรามีปัญญาพอต่อการตัดสินนิยิจัยเรื่องนั้นหรือไม่นั่นก็คือเรื่องใหญ่แต่ถ้าเราใช้ความเชื่อเป็นนําถ้าคนนําดีก็ดีนะไปได้เร็วแต่ถ้าบางทีมันก็แกว่งได้อย่างข่าวคราวต่างๆที่ปรากฏในสื่อทั้งหลายเราลองสังเกตเนะี่ยข่าวสังคมข่าวหน้าสี่ของหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีอิทธิพลครอบงาสังคมเยอะเลยเป็นข่าวซุบซิบ ไม่มีที่ไปที่มาชัดเจนแล้วก็ผู้เขียนก็ไม่มีตัวตนไม่ใช่นามปากกาไม่รู้ใครเขียนทั้งๆที่เราไม่รู้จักเขานะฮะแต่เราเชื่อเขากับพ่อกับแม่เอายกตัวอย่างสามีปัญญาเนี่ยมีคนเคยเล่าให้ฟังว่าข่าวสังคมเนี่ยเอาสามีปัญญาทะเลาะ ก, กัน จะนึกอะไรขึ mira, saying, ้นมาไม่ว uh, okay. ่าซ hmm. ุบซิบปะผู้ชายคนนั้นไปเข้าโรงแรมกับผู้หญิงคนนั้นไปอยู่กันในห้องอย่างนั้นอย่างนั้นปัญญาไปอ่านเจอเขากรูดใหญ่เลยพอสามีโผล่มาบ้านก็ด่าไฟลับเลยแต่มีคนงงไม่รู้เรื่องพยายามสอบถามไม่ยอมหาว่าแก้ตัวหาว่าผู้ร้ายปากแข็งโอ้โหอุดกระดดไปหมดเลยอธิบายยังไงก็ไม่ฟัง จะเอาเป็นเอาตายกันในที่สุดสา ม, มีก็ต้องหนีอยู่ไม่ได้เห็นไหมว่าคนที่พูดไม่รู้ใครพูดอะไรทำไปเราเชื่อกับสา ม, มีตัวเองไม่เชื่อเลยกับพัญญาตัวเองไม่เชื่อที่สาคัญอย่างยิ่งคือกับพ่อแม่ไม่เชื่อกับพ่อแม่กับครูบาอาจารย์ไม่เชื่อแต่ว่าไปเชื่อคนข้างนอกไม่รู้ใครก็ไม่รู้โดยเยพาะอย่างยิ่งคือเชื่อเขานี่เยอะเหลือลเกินบางทีนี่อึดอัดไปต่อปัญานในที่บางแห่ง เราอ้างเขาว่าเราฟังแล้วก็อึดอัดว่าทําไมจะต้องไปให้ความสําคัญกับเขาเราประกาศตนเป็นชาวพุทธพุทธทางแสดงกัจชามิเราบอกพระพุทธเจ้าแสดงว่าอย่างนี้ก็อบอกไม่ใช่นะเขาว่าอย่างนี้นะทานน่านนะถามว่าเขาไหนก็ไม่ทราบหลยเขาว่าอย่างนั้นบอกโอ้เขายังไม่รู้จักเราไปเชื่อนั่นคือจุดจุดอ่อนแอของศรัทธา ลักษณะของของอธิมโมกคือการน้อมใจเชื่อขึ้นไปโดยขาดเหตุผลแล้วก็ขาดความรอบครอบในการตัดสินวิจัยปัญหาต่างๆบางทีมันเลยเกิดชะงักเห็นไหมบางทีรบกวนง่ายเพราะศรัทธาเนี่ยมันอ่อนอ่อนไหวง่ายนะคือลักษณะครๆรักศรัทธาเนี่ยคล้ายๆ ร, ายรักคือเราปักใจฝังใจอะไรกับใครอย่างไรแล้วเนี่ยมันคลายยากถอนยากแล้วก็จะ จงอยู่ตรงนั้นนานแต่ใครใ้ปเหตุผลถ้าแกยังหนักแน่นอยู่อย่างนั้นแล้วจะเอามายากมากดีไม่ดีดดกดแกกลัวเราด้วยนะเมือน่อพวกเชื่อเชื่ อ, อ, อเรื่องทรงเจ้าเข้าวผีเรื่องอะไร แ, ต, ไรแ ต, ต่างๆเราจะเห็นว่ามันก็ศรัทธาแบบอทธิโมกข์คือน้อมใจเชื่อเอาโดยไม่เคยคิดไม่เหตุด้วยผลอะไรแต่ถ้าใครไปตักเตือนมนาะให้สติตและทีนี้โกลักันเลยแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่มันก็ราชาไป เจ้าฟังทนายใต้ร่มพรโพธิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจริดงอก ง, งามไปบุญในธรรมจะมีดท่านผู้ฟังทนายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี